ทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจไม่ได้หมายความว่ามันมีแต่ใจอย่างเดียวในโลกนี้นะแต่หมายความว่าทุกอย่างที่เรารับรู้มันจะดีหรือร้ายมันจะบวกหรือลบ มันอยู่ที่ใจว่าเราจะให้ค่าหรือจะมองมันอย่างไรอย่างเรามองเห็นโลกนี้ว่าเที่ยงเห็นโลกนี้ว่ามันมันมีตัวมีตนทุกอย่างมันก็มีตัวมีตนอันนี้ก็เพราะเรา ยังมีอวิชชาอยู่แต่ถ้าอาวิชชาดับไปเราก็จะเห็นโลกอีกแบบหนึ่งเห็นโลกเหมือนกับเป็นกระแสเป็นกระแสแห่งเหตุปัจจัยหรือว่าเห็นว่าเป็นสักวัธาตุที่แปลเปลี่ยนเป็นนิด ไม่ได้เห็นอะไรเป็นอย่างๆเห็นเป็นเสาเห็นเป็นบ้านเห็นเป็นคนเห็นเป็นสัตว์อันนั้นยังยังเห็นแบบติดสมมุติอยู่แต่พูดอย่างนี้ก็ดูมันมันยากมันไกลตัวเราเกินไปถ้าพูดง่ายๆให้ใกล้ตัวหน่อยก็คือว่าชีวิตของเรามันจะดีหรือลายมันจะบวกหรือลบขึ้นอยู่ที่ใจ จะสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่ใจเป็นสำคัญไม่ใช่ว่าอย่างอื่นไม่เกี่ยวก็เกี่ยวอยู่แต่ว่าไม่สำคัญเท่ากับเรื่องใจมีกินมากมายแค่ไหนแต่ถ้าใจยังไม่รู้จักพอก็ทุกข์แต่มีแม้จะมีน้อยแต่รู้สึกพอใจก็มีความสุขได้ มีมากแต่เห็นคนอื่นเขามากกว่าเราก็ทุกมีน้อยแต่รู้สึกว่าเรามีมากกว่าเขาก็ไม่ทุกนะอย่างที่พูดไว้เมื่อวานว่าคนเราทุกเพราะความคิดการมองแบบเปรียบเทียบก็ทำให้คนเราทุกได้ได้โชคได้ลาบได้โบนัสมากแค่ไหนแต่ พอรู้ว่าคนอื่นเขาได้มากกว่าเราเพื่อนร่วมงานได้มากกว่าเราคนข้างบ้านได้มากกว่าเราในที่จะดีใจก็เปลี่ยนเป็นเสียใจทันทีเรื่องความเจ็บความป่วยที่พวกเราคุ้นเคยกันมันก็ไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของเรื่องกายอย่างเดียวแต่ว่าสัมพันธ์กับจิตใจด้วย เจ็บป่วยแม้เพียงเล็กน้อยแต่ถ้าใจปรุงแต่งก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้มีคนไข้คนหนึ่งตัวตัวซีดนะไม่มีเลือดไม่มีแรงจนกระทั่ง ต้องนอนเปลมาเป็นผู้ชายไม่ได้แก่มีเป็นวัยกลางคนตัวซี่ต้องนอนเปลมาให้หมอตรวจคุณหมอท่านนี้คืออาจารย์ปรเวศซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเลือดที่สิริราชท่านก็ดูคนไข้แล้วก็สักถามอาการ สักพักก็ไปพูดกับแพทย์ฝึกหัดว่าคนไข้คนนี้ไม่เป็นอะไรมากแค่มีพิรุปากขอให้ธาตุเหล็กให้ธาตุเหล็กก็จะดีวันดีคืนคือพอเลือดพอเลือดจางก็แก้ได้ด้วยการให้กินธาตุเหล็กพอพระผู้เช่นนี้ เสร็จก็หันไปมองที่คนไข้คนไข้ซึ่งนอนอยู่พอได้ยินคุณหมอพูดอย่างนี้ก็มีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาทันทีลุกขึ้นจากเตียงจากเปลแล้วก็บอกว่าคุณหมอถ้ามันหายง่ายแบบนี้ผมก็ไม่ต้องใช้เปลแล้วละแล้วก็เดินลากเดินเข็นเปลออกไป เลี้วแรงกลับมาทันทีที่เรูกว่าตัวเองนี้ไม่เป็นอะไรเป็นแค่มีพยาธอนั้นเองแต่ทําไมมีแค่พยาธิแค่พยาธิปากขอทําไมถึงหมดเรี้ยวหมดแรงขณะนั้นไม่ได้เป็นมะเร็งสักหน่อยนะก็เพราะใจที่ปรุงแต่งนั่นแหละปรุงแต่งว่าฉันเป็นโรคร้ายตัวซีดนะ พอคิดตัวเองเป็นโรครายเป็นมะเร็งหรือเปล่าไตาวายหรือเปล่าคิดแค่นี้ใจก็ห่อเหี่ยวตื่นกลัวมันก็เลยไม่มีเรื่องไม่มีแรงอย่งนั้นแหละมาเป็นนิดเป็นหน่อยแต่ถ้าใจปรุงแต่งนะคิดเอาเองว่าฉันเป็นโรครายก็หมดแรงเหมือนกัน มีคนหนึ่งเดินลงมาจากบ้านอันนี้เป็นบ้านสวนสมัยก่อนในสวนนี่ก็มีมีงูเยอะนึ่นต้องเดินระมัดระวังวันหนึ่งเดินลงมากลางค่ากลางคืนสมัยนะั้นก็ไม่มีไฟฉายเป็นชนําบทเดินลงมาก็รู้สึกเหมือนกับเหยียบอะไรสักอย่างปวด ก็คิดว่างูกัดที่ฝ่าเท้าไปเหยียบงูเข้าก็ร้องตะโกนให้คนช่วยไม่มีแรงที่จะเดินไปไปอนามัยต้องให้คนช่วยหามไปพอไปถึงอนามัยอนามัยก็ดูแผล เขบอกว่ามันไม่ใช่งูกัดนี่สงสัยไปเหยียบไอ้กะลามะพร้าวนะกะลามะพร้าวนี่พอเหยียบมันก็จะมีเหยียบตรงกลางก็จะมันก็จะทิ่มเมาคงไปเหยียบกะลามะพร้าวเราบ้างพอรู้ว่าเหยียบกะลามะพร้าวนั่นแหละมีเรื่องมีแรงเดินกลับบ้านได้เลยนะทีแรกไม่มีแรงก็พ อ, พอคิดว่าโดนงูกัดพอโดนงูกัดก็ ตายแน่นั่อยู่ที่ใจบางคนไม่เป็นอะไรได้ซ้ำแต่ก็ป่วยได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคเลือดหลังคือปวดหัวความดันขึ้นปวดท้องเป็นมาหลายปีไปหาหมอ ก็รักษาไม่หายสักทีมอก็แปลกใจเพราะว่าเช็คอาการมันก็ไม่มีอะไรผิดปกติไม่มีร่างกายไม่ผิดปกติหัวใจพากก็ปกตนะิแต่ทำไมถึงมีอาการอย่างนี้หมอก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เกือบจะถอดใจ แล้ววันหนึ่งก็คนไข้มาเยี่ยมแลคนไข้มาตัวกายแกก็เลยได้คิดขึ้นมาก็เลยถามว่าไหนคุณช่วยเล่าประวัติคุณให้ฟังหน่อยเขาก็เล่าชีวิตเขาไว้เด็กนะพอเล่าถึงพี่สาวนะคือเขาเป็นคนเป็นเป็นลูกกาพร้าก็มีพี่สาวคอยดูแลพอพูดถึงพี่สาวเขาก็ เกิดอาการขึ้นมาคือเครียดโมโหโกรธหมอก็เลยพอเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้น mm hmm. ก็เลยแนะนำเขาว่าให้อภัยพี่สาวแล้วเขาก็ไม่เชื่อว่ามันเกี่ยวอะไรกันหมอแทนที่จะแนะนำหรือให้ยา กลับมาบอกให้เขาให้อภัยพี่สาวเขาก็เลยไม่เชื่อหมอแล้วก็หายไปเลยไม่มาหาหมออีกเป็นปีผ่านไปหมอก็ได้จดหมายจากคนไข้คนนี้บอกว่าตอนนี้หายแล้วเพราะว่าทำตามที่หมอแนะนำก็คือให้อภัย ที่เขาเป็นอาการอย่างนั้นก็เพราะเขาโกโรธให้ความโกโรธนี่มันก็ทําให้เจ็บป่วยได้เหมือนกันให้ความเจ็บความป่วยอันนี้มันเกิดขึ้นอยู่ที่ใจเหมือนกันนะคนที่ป่วยเจ็บทรมานบางทีไม่ต้องให้ยาเนี่ย เพียงแค่รู้สึกว่าได้รับการเยียวยาก็ดีขึ้นมีกลายในคนไข้เป็นคนไข้มะเร็งปวดมากหมอต้องให้มอร์ฟีนให้จนเต็มโดสเต็มขนาดคนไข้ก็ยังร้องปวดหมอก็ให้ไม่ได้ เพราะว่าให้ไปอันจะอันตรายให้เกินกว่า น, นี้ก็จะอันตรายเขาก็วิงวอนร้องขอพยาบาลขอร้องพยาบาลพยาบาลก็สงสารก็เลยเดินไปเอายามาให้พอกินพอได้ยาเขาก็รู้สึกดีขึ้นจนนอนหลับไปเพื่อโร่วมงานเห็นก็เปตาหนิก็ว่าเนี้ย หมอสั่งว่าห้ามให้หมอร์ฟีนทำไมเธอถึงไปให้พยาบาลก็บอกว่าไม่ได้ให้หมอร์ฟีนมันก็เป็นแค่น้ำเกลือเท่านั้นแหละคนไข้เขาไม่รู้ขอนูกว่าเป็นมอร์ฟีนเป็นยาระงับปวดพอได้เข้าไ ป, ไไปก็รู้สึกสบาย อันนี้เป็นเรื่องความเชื่อบางทีให้แป้งไปไม่มีอะไรแต่คิดว่าเป็นยากินแล้วก็หายอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของจิตใจแม้แต่ร่างกายมันก็ตกอยู่ในอำนาจของจิตใจเจ็บป่วยแค่ไหนพอได้อะไรสักอย่างหนึ่งที่คิดว่าเป็นยาอย่างดีก็จะรู้สึกดีขึ้นนันนี่เขาถึงบอกว่ากายเป็นนาย ใจเป็นนายกายเป็นบานะ่าวฉันถึงบอกว่าคนเราเนี่ยทุกข์เพราะความคิดนะแม้แต่ทุกข์กายมันก็เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดมากบางทีทุกข์แค่หนึ่งแต่พอใจปรุงแต่งความทุกข์ก็คูณสองคูณสามทุกข์มันคูณสามได้ก็เพราะใจนี่แหละ แล้วทุกมันก็จะหารจะหารสามหรือว่าเหลือแค่หนึ่งในสามก็พอใจนี่แหละให้เราลองสำรวจดูว่าที่เราทุกขุๆเนี่ยมันเป็นเป็นที่ใจเสียกี่ส่วนนะแลวถ้าเราไม่รู้จักจิตใจของเราไม่รู้จักวางใจให้เป็นก็จะหนีความทุกข์ไม่พ้นไม่ว่ามีเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็จะไม่มีความสุขสักที ก็เพรใจนี่แหละเพราะฉะนั้นความสุขในพุทธศาสนานนมันไม่ได้อยู่ที่การมีมากๆมีเยอะเยะการมีมากๆมีเยอะเยนี่มันก็ไม่ทําให้มีความสุขได้การสุ ข, ขัลุด ก, การนีโยอคือการปลนเปนิดต น, นด้วยกรมจึงเป็นสิ่งที่พรุทธเจ้าไม่ไม่สรรเสริญเพราะว่าไม่ใช่ทางเป็นทางสุสดโต่ นะส่วนการทรมานตนเพื่อจะเอาชนะควบคุมร่างกายแบบที่โยคียเขาทำก็ไม่ใช่ทางเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องการทรมานตนไม่ใช่ทางแต่ต้องหันมาฝึกใจหันมารู้ใจตัวเองให้ได้จนกระทั่งเห็นความจริง ในความจริงหรือสัจธรรมก็สามารถเปิดเผยแสดงได้ด้วยการที่เราหันมาดูใจใหม่ๆก็เพียงแค่รู้ว่าโอ้เรามีนิสัยอย่างไรเป็นนิสัยมักโกรธเป็นนิสัยอชอบน้อยใจหรือชอบปรุงแต่งอยู่มายี่สิปีสาสิปีสี่สิบปีไม่ใช่ว่าจะรู้จักตัวเองนะ บางคนพอมาดูใจดูจิตตัวเองบ่อยๆถึงรู้ว่าตัวเองนี้นะเป็นคนที่ต้องเรียกว่าชั่วลายก็ได้ไม่ได้ดีอย่างที่ตัวเองวาดภาพเอาไว้เพราะพอมาดูจิตดูใจตัวเองก็เห็นนะความคิดที่ไม่ดีออกมาความคิดอิจฉาความคิดโกรธหรือว่าคิดอยากจะเอาชนะ ให้ความคิดแบบนี้มันออกมาเกิดขึ้นแต่เราไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยรู้แล้วเราก็นึกขึ้นมาว่าฉันเป็นคนดีฉันเข้าว่าฉันปฏิบัติธรรมนะแต่ว่าปฏิบัติธรรมแต่ไม่เอาแต่ให้ทานรักษาศีลแต่ไม่ค่อยดูใจมันก็จะไม่เห็นว่าตัวเองนี่เป็นเป็นอย่างไรเห็นว่าตัวเองไม่ดีเห็นว่าตัวเองชั่วร้ายก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เสียใจนะ เพราะามันเป็นเียงมันเป็นเคียงแค่สิ่งที่ผุดขึ้นมาในใจเห็นแล้วก็วางใจเป็นกลางเห <c oughs> มือนกับเราคิดดีคิดชั่วนะครับที่เราปฏิบัติทำคิดดีก็ตามคิดชั่วก็ตามก็ช่างมันนะมันเป็นธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้น อันนี้เป็นวิธีของการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะการเจริญสติคือเพียงก็คือรู้ตัวเองตามที่เป็นจริงต่อไปก็จะรู้ลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นจนกระทั่งไอ้ความสำคัญมั่นหมายว่ามีตัวกูอยู่นะตัวฉันมันก็จะมันก็จะลดลงไปลดลงไปจนหมดไปในที่สุด ก็อยู่แบบไม่มีตัวฉันนะอันนี้จะอยู่ได้ยังไงอยู่แบบไม่มีตัวฉันไม่มีความรู้สึกว่าเป็นมีตัวกูอยู่อันนี้ก็เกิดจากการที่เราได้เห็นความจริงที่จิตใจได้แสดงออกมาจริงๆความจริงก็แสดงออกมาจากรูปและนามจากกายและใจนี่แหละไม่ได้ออกมาจากที่อื่น แต่ที่อื่นนั้นหรือสิ่งอื่นนั้นเขาก็แสดงความจริงอย่างเดียวกันเช่นเดียวกับกายและใจต้นไม้ก้อนหินภูเขาลาห้วยลำธานก็แสดงความจริงอย่างเดียวกันเช่นเดียวกับกายและใจเป็นแต่ว่าเรามองไม่เป็นมองไม่ก็เลยไม่เห็นความจริงอันนั้นเคยมีพระผู้ใหญ่ถามหลวงปู่มั่น หลวงปู่มันไม่เคยเรียน <c oughs> ไม่เคยเรียนปริยัติธรรมแต่รู้ทำได้ยังไงพระราชาคณะท่าน น, น, นั้นท่านจบประโยคเก้าจบประโยคเก้าแต่ก่อนก็มีความเชื่อว่าพระป่าเนี่ยเป็นพระเ ล, ล่ลอนไม่มีวัดสังกัด เป็นพ้าที่ไม่น่าไม่น่าไม่น่าเคารพไม่น่าสนับสนุนเวลามีผ้าป่าส า, า, จารจ์นมั่นเข้ามาในเขตปกครองของท่านท่านก็จะท่านก็จะไล่ออกไปเพราะนึกว่าเป็นผู้ที่งมงายในสิ่งที่ไม่มีเหตุมีผลคือท่านได้รับการศึกษาแบบเปรติธรรมท่านก็คิดว่า ศาสนาพุทธนี่มันต้องมีเหตุมีผลต้องปเป็นเรื่อง ก, การใช้เหตุใช้ผลใช้ความคิดพิจารณาท่านก็เลยไม่มีศรัทธาในเรื่องวิปัสสนาแต่ตอนหลังได้มาใช้มาเจริญสติเจริญสมาธิเพราะว่าป่วยเครียดพอได้ฝึกสมาธิแล้วหายก็เลยเกิดความรู้สึกดีกับพระป่ารู้สึกดีกับ การเจริญกรรมฐานพอได้มาพบกับหลวงปู่มั่นก็เลยถามว่าท่านรู้ธรรมะได้ยังไงในเมื่อไม่ไดเรียนหนังสือไม่ได้เรียนปริยติธรรมทําไมถึงสอนได้ถูกหลวงปู่มั่นก็ตอบว่าสําหรับผู้ที่มีปัญญาธรรมะมีอยู่ทุกขนแห่งธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมยาธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมยาสําหรับผู้ที่มีปัญญา เห็นนกนกก็สอนธรรมะได้เห็นพาธิที่ขึ้นพาธิที่ตกก็สอนธรรมะได้เห็นใบไม้ร่วงก็สอนธรรมะได้อันนี้ก็คือเหตุผลที่ท่าจากพุทธทาสอนบอกคนที่ไปสวนโมกว่าให้หัดฟังเสียงต้นไม้พูดหัดฟังก้อนถินสอนธรรมะบ้างนะ แต่ที่จริงก้อนหินต้นไม้หรือว่ากายและใจเราก็สอนสิ่งเดียวกันนะสอนเรื่องใจรักสอนเรื่องความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนไม่มหม่หมหมหมหมก็เห็นยากนะแต่เราก็จะเห็นความความไม่เที่ยงของใจเราได้ใจเรามันเป็นอย่างไรเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้าย เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวพู <C oughs> เดี๋ยวแฟบ <c oughs> คิดเรื่องนั้นเสร็จ <c oughs> แล้วก็ไปต่อคิดเรื่องอื่น <c oughs> บางครั้งก็เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ <c oughs> คิดเป็นตูวเป็นตาเอาเป็นหอตายกับเรื่องนี้แต่พอผ่านไปสักพักก็ไม่สนใจแล้วปล่อยวางใจเราเนี่ยมันคุมไม่ได้เลยอันนี้ก็เรียกว่าอนัตตา เราจะคุมให้ใจมันนิ่งมันสงบก็คุมไม่ได้รู้ไม่ได้เลยซ้ำว่าอีกหนึ่งนาทีต่อจากนี้เราจะคิดอะไรไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้ว่าอีกห้านาทีนี้จะคิดอะไรแม้ตั้งใจว่าอีกห้านาทีนี้ฉันจะคิดแต่เรื่องดีๆมันก็ทาไม่ได้แม้แต่จะตั้งใจว่าอีกห้านาทีนี้ฉันจะไม่คิดอะไรก็ไม่สามารถทำได้ ไม่เชื่อก็ลองทำดูว่าฉันจะไม่คิดอะไรเลยตลอดหนาทีนี้ตลอดนาทีนี้นัทำไม่ได้เพราะว่าใจมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเลยนะอันนี้เรียกว่าอนัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวตนนะที่เป็นของมันเอง นี่เราก็จะค่อยเห็นไตรลักษณ์ในความหมายพื้นพื้นต่อไปก็จะเห็นในความหมายที่ลึกซึ้งมากขึ้นและการที่เรารู้ใจอย่างนี้แหละที่ทาให้เราสามารถอยู่ในโลกนี้ได้โดยไม่ทุกข์ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่เกิดร่วมสมัยเดียวกับพวกโยคีหรือสีชีไพรแต่ว่าก็มีความแตกต่างกันหลายอย่าง แม้จะดูเพลินเพิมันก็เป็นผู้สละโลกเหมือนกันพวกโยคียนักขอาทรมานตนแต่พุทธศาสนาไม่เห็นว่าการทรมานตนจะเป็นคำตอบอาจจะมีการฝึกตนที่ดูเหมือนทำความยากลำบากมั่งเช่นกินมื้อเดียวหรือว่านอนใต้ต้นไม้แต่นั้นไม่ใช่เรื่ว่าทรมานตนบางคนก็อดอาหาร แต่ไม่ใช่โอดอาหารเพราะคิดว่าการอดอาหารจะทําให้บรรลุธรรมแต่โอดอาหารเพียงแค่เพื่อลดความฟุ้งซ่านในใจเพื่อทําให้การทําสมถะกรรมฐานนี่เป็นไปได้ง่ายพอโอดอาหารแล้วใจมันก็ฟุ้งซ่านน้อยลงก็ทําให้เจริญสมาธิได้ง่ายจิตนิ่งอันนี้ก็เหมาะสาหรับบางท่านไม่ใช่เป็นวิธีการมาตรฐาน แล้วก็ไม่ใช่เรียกว่าการทรมานตนนอกจากนั้นก็ยังแตกต่างจากพวกรือศีชีไพรคือไม่ได้เน้นเรื่องการหนีโลกนะคนที่คนที่หนีโลกเพราะเขาคิดว่าถ้าไม่ไม่ไปรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็จะมีแต่ความสงบเย็นในจิตใจจนหลุดพ้นได้แต่พุทธศาสนาไม่ได้มองอย่างนั้นว่า การหนีโลกจะเป็นคำตอบพุทธศาสนาเน้นว่าเนี่ยต้องอยู่ในโลกแต่ว่าอย่าไปคล้องติด ก, กับโลกนะแม้จะอยู่ท่ามกลางกามนะกามคุณกามคุณในที่นี้หมายถึงรูปลดกลิ่นเสียงที่น่าพอใจหรือแม้จะอยู่ท่ามกลางสิ่งที่ไม่น่าพอใจ รูปรถกินเสียงที่ไม่น่าพอใจก็ยังสามารถจะรักษาใจให้เป็นปกติได้นพุทธศาสนาเน้นตรงนี้คืออยู่ในโลกโดยไม่ข้องติดกับโลกอยู่ท่ามกลางโลกแต่ว่าไม่ไม่วันไหวไปตามกระแสะโลกเนะพราะอะไรก็เพราะว่าเน้นที่เรื่อ ง, องการฝึกจิตโดยเพราะเรื่องการมีสติและปัญญาสมาธิ สามอย่างนี้เนี่ยชื่อจะช่วยทำให้เราอยู่ในโลกได้โดยไม่ข้องติดแล้วก็ไม่ทุกข์นะก็เปรียบเหมือนดอกบัวดอกบัวเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของพุทธศาสนาเพราะพอดอกบัวนี่เป็นแบบอย่างของสิ่งที่ไม่ติดนะเช่นเกิดท่ามกลางเกิดจากโคลนตม แต่ว่าก็สามารถที่จะอยู่เหนือโคลนตมได้โคลนตมนี้ก็ไม่ติดดอกบัวหรือใบบัวฝนตกลงมากระทบกับใบบัวแต่ว่าก็ไม่ฉาบให้ให้เปียกนะนี่เป็นลักษณะเป็นสัญลักษณ์ของจิตใจที่ฝึกดีแล้วแม้กระทบกับอะไร ก็ไม่ฉาบให้หมองมัวไม่ทําให้หมองมัวไม่ทําให้กระเพื่มหรือเป็นทุกข์ได้จึงอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุข ม, มีความเรียบเลยหลายอย่างที่เน้นการอยู่ในโลกโดยไม่คล้องติด ก, กับโลกอยู่กับวัตถุแต่ไม่คล้องติด ก, กับวัตถุเช่นะ เป็นเสมอลิ้น ง, งูนะลิ้น ง, งูอยู่อยู่ในปากงูอยู่ใกล้เขี้ยวงูแต่ว่าเขี้ยวงูก็ทำอะไรไม่ได้การที่เราสามารถอยู่ในโลกโดยไม่ข้องติดกับโลกได้เนี่ยสำคัญมากทำไมพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่หนีโลกอยู่บ้านอยู่ในที่ทำงาน แม้จะอยู่ท่ามกลางผู้คนที่วุ่นวายเสียงดังอึกกระทึกจิตใจก็ยังเป็นปกติได้เสียงที่มากระทบก็สักแต่ว่าได้ยินแต่ว่าไม่ทำให้ใจกระเพื่อมไม่ว่าเสียงนั้นจะเป็นเสียงชมหรือเสียงตำหนิก็ไม่ทำให้ใจฟูใจแฟบไดน้นการปฏิบัติธรรมโดยว่าการเจริญสตินี่มันเหมาะสำหรับพวกเราซึ่งยังต้องอยู่ในโลก นะต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนต้องมีภาร ะ, าระการงานความรับผิดชอบเราสามารถทำงานได้โดยไม่แบกไม่ยึดเพราะรู้จักวางไม่ใช่แค่ทำเสร็จแล้ววางนะแต่ว่ามากกว่า น, นั้นบางคนทำเสร็จแล้วยังไม่วางทำเสร็จแล้วยังแบกไปที่บ้านเก็บไปคิ ด, คดกินก็คิดนอนก็คิด นี่รว่ายังแบกอยู่แม้ว่าตัวนี่วางล้งานวางแฟ้มไวท้ที่ไว้ที่สานักงานแล้วแต่ว่าใจนี่ยังแบกแฟ้มกลับบ้านนี่รู้ว่าทำโดยไม่วางแตุ่ทธศาสนานไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วก็วางนะแม้ระหว่างที่ทำก็วางได้คือทำด้วยจิตว่างทำด้วยทำด้วยใจที่ปล่อยวางไม่ใช่แค่วาง เมื่อเสร็จงานแต่ระหว่างที่ทํางานอยู่ก็วางได้คือใจอยู่กับปัจจุบันวางวางอนาคตวางเป้าหมายนะเมื่อเราเดินทางเมื่อเราเดินทางเราแน่ใจว่าทางนี้มันไปถึงเชียงใหม่แน่เราก็ลืมเชียงใหม่ได้เลยแล้วก็เดินทางไม่ว่าจะอยู่บนรถหรือว่าเดินเท้าก็ตาม อย่างตอนนี้ก็มีคนเดินไปที่ปัตตานีเดินจากสาลยาไปปัตตานีพันกว่ากิโลใช้เวลาห้าสิบกวันนี่เดินมาครึ่งทางแล้วดูหน้าเหนื่อยนะเดินต้องห้าสิบกวันแต่มันก็มีหลักนะว่าเวลาเดินนี่อย่าไปสนใจเป้าหมาย ส่วนเป้าหมายมันจะอยู่ที่ปัตตานีหรือว่าอยู่ที่ชุมพรสุ ร, ราษฎร์ก็อย่าไปสนใจลืมมันได้เลยเดินอย่างเดียวถ้าแน่ใจว่าเดินถูกเส้นทางแน่เดินถูกถนนแน่ก็ลืมเป้าหมายได้ใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับแต่ละก้าวที่เดินทํางานก็เหมือนกันเราก็วางเป้าเราก่อนทํางานเราวางเป้าหมายไว้วางแผนไว้ แต่พอลงมือทำแล้วก็ลืมเป้าหมายได้เลยไม่ต้องสนใจว่าเมื่อไหร่จะเสร็จไม่ต้องสนใจว่าผลออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนํานเป็นเรื่องอนาคตแต่ให้เราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอันนี้เราทำด้วยใจที่ปล่อยวางไม่ได้รึกจิตติดถือมาว่าจะเป็นงานของกูงานของกูใครจะมาแตะมาต้องไม่ได้ใครจะมาพูดวิจารไม่ได้ก็วางถ้าทาอย่างนี้ได้ก็จะทางานอย่างมีความสุข นะพุทธศาสนานี้ไม่ได้สอนให้วางเมื่อเสร็จงานเท่านั้นแต่ว่าขณะที่ทํางานก็วางได้เหมือนกับเราเจริญสติก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าไปคิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะถึงวันกลับบ้านนะหรือเมื่อไหร่จะบรรลุคิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะมีสติเมื่อไหร่จะมีสตินะไม่ต้องทําอย่างนั้นวางให้มีให้ใจอยู่กับปัจจุบัน ให้รับรู้รู้สึกแตงมือที่เคลื่อนไหวไปมาและรูปที่เดินไปกลับไปกลับให้อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเองวางเรื่องอนาคตวางเรื่องอดีตวางเรื่องเป้าหมายวางแม้กระทั่งความอยากที่จะบรรลุที่จะพบกับคุณวิเศษนอันนี้แหละก็เป็นวิธีการที่ทำให้เราสามารถจะอยู่ในโลกอยู่ท่ามกลาง ความวุ่วายอึกกรทึกโดยที่ใจเราไม่ไม่ไม่ทุกตามไปด้วยพระพุทธองค์ได้แนะนําอุบาสกคนหนึ่งยังจะเรียกว่าเป็นเป็นโยคีก็ได้คนนี้เคยเข้าใจว่าตัวเองบรรลุธรรมเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์เพราะว่าคนกราบไหว้ก็คือตัวเองเนี่ยเกิด หรืออับปางถุงน้ําสัต์เข้าฟังพ่อผ่อนหลุดลุ่ยหมดก็ไปเดินขออาหารคนก็นึกว่านี่เป็นนักบวชสละแล้วซึ่งทุกอย่างแม้แระ่แม้กระทั่งเสื้อผ้าก็สละแล้วก็เลยยกให้เป็นอรหรันตัวอย่างนี้พอทีแรกก็ไม่เชื่อตัวเองเป็นอรหันต์แต่พอคนชมคนยกย่องกเป็นอรหันต์ก็เลยเชื่อเป็นอรหรรันต์จริงจงจนกระทั่งมีเพื่อนซึ่งเป็นเทพ เพื่อนในชาติฟังก่อนเป็นเทวดามาบอกว่านะท่านไม่ใช่อรหันนะอรหรันท่แท้นี้อยู่อีกเมืองหนึ่งไกลทีเดียวหลายร้อยโยชน์แล้วคนนี้ก็ดีนะไม่เพลินกับลาสกาการละเรียกว่ามีมีดีอยู่ในจิตใจพอรู้ว่าตัวเองไม่ใช่อรหรันแต่อรหรันท่แท้นี้อยู่อีกเมืองหนึ่งคือพระพุทธเจ้าก็ตามไปเดินเดิน เรือกทางหลายลอยโยดเดินไม่หยุดเลยจนไปจนกทังไปพบพระพระุทธเจ้าขณะที่เสด็จบินธบานอยู่ในอยู่กลางทาง <c oughs> ก็ทูลขอให้พระองค์แสดงธรรมพระพุทธองค์เห็นพาหิญะนีิพึ่งเดินทางมาเหนื่อยนะยังไม่ทันได้พักก็จะขอฟังธรรมพระองค์ก็เห็นว่าไม่ใช่เวลาก็ปฏิเสธพาะญาก็ ทูนขอถึง3มครั้งในที่สุดพระองค์ก็แสดงธรรมคงเห็นว่าภาัยญาณนั้นได้พักเหนื่อยแล้วแล้วก็จิตใจเริ่มสงบลงแล้วคนเราถ้ายัางจิตใจมีความกระตือรือร้นอยู่มันก็ยังไม่ใช่เป็นจิตที่เหมาะกับการรับฟังธรรมอยากฟังธรรมอยากฟังธรรมให้ความรู้สึกแบบนี้มันทำให้ใจร้อนใจร้อนลนฟังธรรมไปก็อาจจะไม่ไม่ซึมซับเท่าไหร่ แต่พอพยะยามใจเริ่มสงบนะหายเหนื่อยด้วยองศ์ก็แสดงธรรมสั้นๆะเ <c oughs> มื่อเห็นก็สักตะว่าเห็นเ <c oughs> มื่อได้ยินสักตะว่าได้ยินเมื่อรู้อารมณ์ <c oughs> ก็สักตะว่ารู้อารมณ์อารมณ์ในที่นี้หมายถึงว่าได้กลิ่นหรือมีกายมีมีสิ่งมาสัมผัสกายนะเมื่อรู้อารมณ์ก็สักเมื่อรู้อารมณ์ก็สักตะว่ารู้อารมณ์นะ เมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มีไม่มีทั้งในโลกนี้แล ะ, และในโลกหน้าและระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์จัดสั้นๆไม่กี่ประโยคพิยักก็บรรุธรรมทันทีเป็นพระอระหันต์อันนี้ที่พระองคจัดแสดงนี้สำคัญมากสักเมื่อเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเมื่อรู้แจ้งอารมณ์ก็สักตวรู้แจ้งอารมณ์คือไม่ปรุงแต่งต่อนะอันนี้แหละที่เรียกว่า อยู่ในโลกโดยไม่คล้องติด ก, กับโลกหรือว่ารับรู้ด้วยใจที่ปล่อยวางคือไม่ปรุงแต่งนะเห็นอะไรก็สักตะว่าเห็นเท่านั้นเองอันนี้แหละเป็นวิถุนทางสุขความดักทุกข์ท่านทำให้ไหยะนิตาสว่างบรรลุธรรมทันทีเน้นจริงๆแล้วเนี่ยสุขหรือทุกข์ก็อย่างที่บอกไว้แล้วคือมันอยู่ที่ใจนะ ไม่ใช่แค่ว่าใจคิดบวกหรือคิดลบเท่า น, นั้นแต่อยู่ที่ว่าใจเป็นปกติหรือว่ารับรู้อย่างที่มันเป็นหรือเปล่าไม่ว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสน่าพอใจไม่น่าพอใจถ้าเราสักแต่ ว, ว่ารับรู้สักแต่ ว, ว่าเห็นสักต ว, ว่าได้ยินไม่ปรุงไม่แต่งวางได้นะก็จะไม่ทุกข์ไม่ใช่แค่ไม่ทุกข์นะแต่ว่ายัางสามารถจะเกิดปัญญา เข้าใจความจริงของกายและใจเข้าใจความจริงของรูปและนามเข้าใจความจริงของสังขารเรียว่าขันทั้งหาได้นะเอาละก็เช้านี้ก็พูดเท่านี้กลับพรดพร้อมกัน